สรุปสิ่งที่ได้จากเดือนที่หนึ่งหนึ่งฉันได้ศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นในทางหลุดพ้นคือสติปัฏฐานสี่ที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วเชื่อแน่ว่าเมื่อไต่ไปตามขั้นตอนวันหนึ่งในชาตินี้จะต้องหลุดพ้นอย่างแน่นอนมีองค์ต่างๆของพชทชงเป็นเครื่องตรวจสอบว่าสภาพจิตของฉัน กำลังดำเนินเข้าใกล้มักเข้าใกล้ผลอยู่มากน้อยเพียงใดออกนอกลูนอกทางไปบ้างหรื อ, อยัง 2. งฉันได้ราวเกาะคือลมหายใจและอิริยาบถแต่ยังผลัดกันระหว่างกิริยาเกาะราวกับอาการส่งจิตออกนอกฉันประมาณไม่ถูกเอาเป็นว่าอาการส่งออกนอก น่าจะมากกว่าเยอะก็แล้วกัน 3. ฉันได้ตระหนักว่าความก้าวหน้าอย่างเดียวไม่มีมีแต่ต้องก้าวหน้าแล้วก้าวหลังสลับกันตรงจุดนี้มีประโยชน์ที่แม้ก้าวหลังก็ไม่ทอ้อแต่เห็นความก้าวหน้าเป็นการแสดงอนิจจงชนิดหนึ่งได้เดือนแรกผ่านไปโดยฉันถือหลัก รู้สิ่งเดียวให้เชี่ยวชาญผลคือความเชื่อมั่นว่าฉันก็เจริญสติปัฏฐานได้และเมื่อเจริญสติปัฏฐานได้ก็แปลว่าเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิเห็นธรรมะตามพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันการขึ้นเดือนที่สองทำให้ฉันถือเป็นเริ่อสสำรวจความเป็นไปได้ว่าจะเริ่มพยายามเพื่อความคืบหน้าใหม่ๆอันใดได้บ้าง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 ถ้าสถานการณ์ไหนทำให้เราเป็นสุขมากหากกลับสถานการณ์นั้นเป็นตรงข้ามความรู้สึกเราย่อมพลิกคว่ำคา ม, คมามงายตามไปด้วยอย่างแน่นอนเช่นเมื่อได้มาซึ่งบุคคลอันเป็นที่รักย่อมก่อสุขเปี่ยมล้นแต่เมื่อพากจากบุคคลอันเป็นที่รักย่อมก่อทุกข์มหันเช่นกันที่ต้องทำความเข้าใจไวแ้แม่นๆ่น คือในหมวดเวทนานั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้แนะวิธีบำบัดทุก์บำรุงสุขให้ตัวเองแต่ท่านให้รู้ตามจริงว่ากำลังสุขหรือกำลังทุกข์กล่าวโดยหลักการโดยสรุปมีดังนี้หนึ่งเสวยสุขอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังเสวยสุข 2. เสวยทุกข